เออตอนนี้ไปก็ขอบรรดาย ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทไั้งหลายแนเพื่อนวิสุทธิ์ณฟังคำแนะนำเสด็จน้อยวันนี้ก็อย่าพูดกีอัญธน น, น้อยสำหรับอันหลักต้นในการเจริญแท้กรรมฐานความียงต้นและปลายรวมกันมาร่แรกขอยทุกท่าน จำบตบาลีที่อ่อนต้นในพสัมมาสัพพะเจา้าต้นสัตว์ไว้ในมห า, าสีวถานสะครว่าเอกายนโนยงังพิเกเวมะโคส ต, ตานงวิสุทิยาเป็นต้นทั่นบมาว่าทางของบุคคลูนเดียวเป็นทางเอกเป็นทางนำมาที่ความบริสุทธิ์ เป็นท <errado. S 2> ุนทางที่นําไปเพื่อคลายจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะความสั้นๆในมหาเศรษฐาลัคน์โสดถ้าเราฟังกันแล้วว่าเทียบกับวิปัสนายายเก้าก็ได้แก่สกายยติทิอคนได้การเทียบภาษาโยติได้แก่สกายยติฐิถ้าไม่เทียบกับวิปัสนายายเก้าก็ได้แก่นิพพิธายายกับสังขารุเปถายาย รวงความว่าพระพุทธเจ้าให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าเรานั้นคือเป็นบุคคลคนเดียวบางทีท่านนนั่นหลายจะว่าแก้บอก ว, ว่าไม่ใช่คนเดียวฉันมีผัวฉันมีเมียฉันมีพ่อฉันมีแม่ฉันมีลกูกข้อนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่สิ่งที่เราเป็นบคนุคคลคนเดียวนั่นก็คือหนึ่ง ไม่ยามหิวเกิดขึ้นเราหิวคนเดียวแล้วคนอื่นก็าวยหิวด้วยถ้าไม่เหตุการณ์ที่เคยกินพอมกันสองเวลาป่วยใครไม่สบายเรามีสามีเรามีปัญญาเรามีพิดามารดาเรามีบทหลานและมีเพือนที่รักเวลาป่วยเนี่ยเขาป่วยพร้อมกับเราไหมเราปวดเขาปวดพร้อมกับเราไหม เราหายสบายอสบายพร้อมกับเราไหมเน็ตหนึ่งรีอีกการหนึ่งความแก่และเคลื่อนกับมหาเราหูฝ่าตาฝ้าฟรรันโยกฟันหักร่างกายไม่ดีมีกำลังว่างชาไม่เป็นปกติไอ้กายงก ง, กงกึ่งเงินอย่าง น, นี้แปลกายของความทก แต่ถ้าลูกเราหลานเราเลี้ยเราและเพื่อนเราที่เขาไม่แก่เท่าเราเขาช่วยเราแก่ไหมหรือเปล่าหรือว่าเราแก่แต่คนเดียวในที่สุดความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นคนอื่นเขไม่ช่วยเราป่วยไหมมาแบ่งไอทุกขเวรนาไปจากเรามาแล้วเปล่าถ้าสุดทายที่สุดรายหลังก็ได้ความตาย เมื่อความตายเข้ามาถึงคนที่รักกันแสนรักปางยเคยกินก็ไม่มีใครยอมตายร่วมด้วยมีที่รพระพุทธเจ้าทรงกัดไปเอกายนโนยังพิกเววะโคสัตานังวิุติาายาไม้ฟาเวนดาสตังหลายพือมนุษ ม, มนุษย์ทั้งหมดมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นคนเดียว มันไม่เนื่องกับร่างกายของผู้คนอื่นมันจะแก่มันก็แก่คนเดียวมันจะป่วยมันก็ป่วยคนเดียวมันจะตายมันก็าตายคนเดียวถ้าเรามีทาความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีใครมีเลยมีตแต่เราแต่คนเดียวว่าถูท่าแต่ตาไม่มีใครเป็นเหตหายที่รักไม่มีใครมาช่วยเราป่วปยไม่มีใครมาช่วยเราตายไป็แสดงว่า ถ้าจิตกเราลดกำลังความยึดถือภายนอกเข้ามาได้อย่างนี้ใจมันก็เป็นสุขแต่แค่นี้พ ร, ร, ระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ดสอนให้เป็นคนใจตืดไอจะมีจิตเมตตาคือความรักคนแลสัตว์ทั่วครมีจิตคิดโสงสารหมายศาสนาแยเกื้อกูลเข้ากับคนแลสัตว์ทั่วไปไม่ใช้สิยาใครคือทําจิตจินดีนมาบางคนเรียนได้มี และก็วางเฉยเมื่อการเหตุร้เกิดขึ้นตามกฎของกรรมที่ความแก่เข้ามาถึงแล้วก็เฉยไม่ได้ร้อนคือเป็เรื่องธรรมดาความป่วยไข้ไม่สบายเกิกเด ข, ข, ขึ้นมาแล้วก็เฉยไม่ได้ร้อนเพื่อความตายเมื่อเข้ามาถึงก็เฉยอีกเหมือนกันเฉยเพราะอะไรเฉยว่ายอมรับแล้วคืนแล้วเราเชื่อว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ต้ อ, องตายไม่ว่าใครทั้งหมด อันดับแรกองสมเด็จพระบรมสุคตสรงแนะนำว่าขณะที่เรานั่งเจริญกรรมฐานอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีที่กลางทุ่งเราป่าก็ดีจงตัดความหวงใยบุกคนคภายนอกและวุกุ่าเส้หมดให้ถือว่าเวลานี้เราไม่มีอะไรเลยมีแต่ร่างกายที่ประกอบด้วยกันห้านเทา น, ทา น, ทาน้ที่มากับเรา แลื่อนน้อมจิตลงไปนิดหนึ่งไว้แรงกายที่ประกอบวิธีธาตุสี่ที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยไม่เป็นเราไมเป็นข้อเรารบกล่าวถ้าเป็นเราเป็นข้อเราจริงเวลาเราตายแล้วไปเมืองสวรรค์ไปเมืองนรกมันก็ต้องไปด้วยที่นี้เราเห็นคนตายไปส่คนมากไม่มีใครทับแต่ร่างกายไปแล้วก็คิดว่าร่างกายนี่มันคล้ายกับเสื้อหรือกางเกงเนั้น มือนกับเสียงเพลที่เราสวมถ้าดีเราพอใจก็ใส่สวมไปถ้าไม่ดีเราไม่พอใจแล้วก็ทิ้งมันไปแต่ว่าเรายังพอใจอยู่ถ้าไม่ขาดรูปเรี่งเต็มทีใช่ไม่ได้เราก็ต้องทิ้งมันไปเหมือนก็ร่างกายนี้เหมือนกันถึงแม้ว่ารักเราเรายัรักมันแสนรักเรายัพอใจมันแสนพอใจแต่ได้ว่าถ้าเวลาที่มันจะพังเราก็ห้ามไม่ได้ และนรีองตําเด็ดยรจอมใจที่ได้ทรงแนะนำว่าจงยาวสนใจกายในกายไม้ร่างกายของเรายาวยาวสนใจร่างกายของบุคคลอื่นแล้วก็จ่า ย, ยาวสนใจวัตถุธาตทั้งหมดพีะองค์ตํเด็ดท่องเ ร, เรื่องสุ ข, ขเทวางเสียว่าทุกอย่างเนี่ยมันทางแน่นร่างกายรเรานี้ไม่ใา่ไม่ก็ตาย จะไปโน้มน oh no ั no ่งเมาร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นพวกเราไม่ใช่เมื่อเลิกเป็นเราเป็นพวกเราถ้าตอนนั้นเข้ามาถึงแล้วจิติดยังไงจะเตรียนตัวไว้ทําจิตไว้ทั้งตัแบบแตบัตนี้เป็นต้นไปถ้าความตายมันเข้ามาถึงแล้วก็มานั่งเลกว่าเกิดสมนุตจะมันสุขกับมันทุกข์คิดตัวเองจะจะไม่ดีบบย เป็นนิวรดาเริ่มทรมไปสุขโชคเก่าวหมดคุณวัสนาวรมีก็มาเกิดเป็คนบ้างเป็นสัตว์นกบ้างเป็นเต่าบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัเลีขานบ้างมันดีเลยถ้าตายจากความมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็ไม่ดีมันเป็นทุกข์ถ้เป็นนิวรดาเริ่มทรมมันก็ไปพางทุกข์โชคเก่าวสู้ไปนิพพานไม่ได้นิพพานไม่ใช่แดนสูง นิพพานในเราถือว่าเป็นที่เปเศษเคลื่อนดักอารงค์ความทุกทั้งหมดหลับคันห้าจะมีความทกข์ั้งหมดมีร่างกายเป็นที่พิเศษมีเมืองเป็นที่อยู่มีความส่วนสุดงามวิจิตในการตายกว่าอื่นขึ้นชื่อว่าอรงณ์ไข่คล้องใจนิดหนึ่งไม่มีในนิพพานฉะนั้นองค์สมเด็จพระ毗ชิตามานยริทรงกรัสว่านิพพานานางประมาวตกรั้ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนางประมังกุลอย่างนิพพา น, านมีธรรมว่าอย่างาายิง่งคือว่าจาอารมณ์ที่เป็นทุกข์มีแต่อารมณ์ที่เป็นสุขนี่ท่านที่เมาเจริญพระธรรมฐานตัดใจแบบนี้ว่าเราโมโหนิพพานถ้ามีใครเข้ามาบอกว่าว่าไม่เกินไปเลแล้วก็ต้ถามเว่าพระพุทธเจ้าท่านมีกี่นิ้ u ถ้าหันหน้าไหลจะมีเอาไว้วา่าเทไรจะมีกี่นิว้วเรากับท่านก็เหมือนกันท่านก่อนที่เป็นท่านจะเป็นพระราหาัตท่านก็เป็นเหมือนเราเรานี่ยแหละ ม, ม, มีหลงคงแรงมาเหมือนเราแต่สายที่รราโรโ ร, โ ร, โกรงกําลังกายกําลังใจหนึ่งมีการให้ทานเป็นปกติให้มากหรือให้น้อยในต่า ง, งกำลังขอทรัพย์ แต่ก่อนที่จะให้รถเต็มใจให้มาให้ก็มีความเดังใจ้มใ่มให้แล้วก็มีความยินดีว่าเราได้กัดโลภภาพความโลภไปแล้วในการที่สองเราคนจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติไม่อย่งนั้นแทนสมบัติกันไม่มีผลเมื่อมีศีลแล้วศีลเป็นภาพคืนแห่งผลิภาน หลังจากนั้นแลว้วก็ทําติดของเราตัดอวัยวะร่างกายคือไม่ยุ่งอารมณ์กับความทุกข์ในการตัดไม่ต้องเป็นนั่งนึงกตัดนึนกอารมณ์อย่างเดียวคือนึกภาวนาว่ามณะมะภาคาลมเข้ารั่วเข้าลมออกเขาวร่วออ ก, ออกหาใจเข้านึกว่านมามะหายใจออกนึกพาคา อันเนี้ยนณที่ให้ใจเข้าใจออกภาวนาคอยครูฝึกฝึกก็จงอย่าไปคิดตัวเราอย่าจะเห็นนั่นอย่าจะเห็นนี่อย่าจะไปโน่นอย่าจะไปนี่ถ้าตัวอยากมันมีอยู่ลวมันไปไม่ได้มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหามันเป็นกิเลสใหญ่ที่เราทำพลากิเลสละปัญหาต้องทรงอารมณ์ให้สบายสบายภาวนาเฉยเฉยรู้ลมให่ใจเข้าใจออก นักจงเข้าจจวินิถึงว่าเวลาที่ครูเขาเ้าไปสอบถามอย่ากโกหกครนะความรู้สึกเป็นยังไงบอกตามนั้นเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เท่ากันทา้ากำลังสมาธิสูงเต็มที่มโนยิทธิที่ทนะได้ยังจะไรกยก่องใส้กายยันลกไปจากตัวเฉยๆเหมือนกับยาปล้องที่เขาตัดแล้วถึงเอาไสออกหมเลยก็เปลือกเลยจเลยอย่างนั้น ถ้ากําลังใจสมาธิต่ําก็ต้องใช้โครูช่วยที่ตอนครูช่วยเราก็ต้องอาศัยทิพยประยชน์ปุญญาคําว่าทิพยประโยช์ปุญญาณแปลว่ามีความรู้สึกในใจเหมือนตาจิตถ้าตาลราหลับแล้วนีภาพต่างๆไม่ได้เกิ ด, ด, ดกับจิตจิตจะหลอกวันนี้เป็นพระนี่เป็นจุฬาฯนี่เป็นธมต่างตัที่ขาวที่เขียวเีเหลืองก็ตามเรีนยนสมาธิอ่อน แค่ครูถามออกไปแค่ความรู้สึกต้นมันบอกว่าอะไรพูดตามความรู้สึกนั้นถามว่าเห็นใครมีธาตมไหมอยู่ใกล้ไห ม, มหไม้เห็นถามไหมบางทียตาเราไม่เห็นนะแต่จิตมันบอกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พอถามว่าส่งสีอะไรความรู้สึกแรกมันบอกสีก แ, รกกสกแรกก็บอกไปเลยพอมีกําลังดีแล้วครูก็จะกระคองขึ้นบรนดุขมลสิริอาจหรือว่ า, าอระจุลามุนีเจดีสถานที่เรียกว่าฉันดาวดึง พอจิตเคลื่อนเข้ามสูเอาดึงจิตจะมีอารมณ์เป็นฌานโขนงขึ้นความผ่องใสความมีกําลังมันก็เกิดขึ้นพอที่นั่นมีความห่องใสนี่แล้วครูก็แนะนําให้ตัดกันห่าจิตรวบรวมกําลังใจตอนนี้กําลังจิตจะเป็นฌานตรีอาการทุกอย่างยังมีความผ่องใสและว่าคื่องสผลิตภัได้นี่เป็นข้อแนะนะํา เราสำหรับต้ครูเขาถามอะไรท่านแหละท่านลองบอกตามความเปจริงเรื่องโกหกครูเราไม่มีผลแล้วก็จับกันได้หลายคนแล้วในคนประเภทนี้ก็เป็นคนรปนคนระเภทเลวคือเข้ามาเพืหวังทำลายสถานที่ดะนั้นคำนน บ, บรรดาษพระตบวรีสัตุกท่านจง จ, จำคํานี้ไว้แล้วก็เวลาภาวนาวก็ภาวนาตางสบายอย่าไปคิดอยากได้นูนอยากได้มีอย่าเห็น น, นู่นเห็นนี่ เวลาครูถามบอกตามความรู้สึกเห็งก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาไม่ว่าอะไรต่อนนี้ไปขอทุกท่นทานตั้งกายให้ทรงสำโลดจิตมั น, ำนกำหนดรู้ลมห้ยใจเข้าให้ใได้ออกใช้คำภาวนาละทิจย์นาตามัติยานใส่เพื่อกว่าจะถึงเวลาที่ครู จ, นนจะไปสอบถามทุกคนตังใจคำแนะนเสด็จาก่อน เที่ยงหน้าดับก็ได้แล้วนี่นก็บบเลยไม่สม <c oughs> การนี้ขึ้นสบวรนค์ดันเราเลยขอมาดรอไว้จีการปฏิบัติแบบนี้ถ้าจะถามว่าเป็นสมถะหรือปัญญาอันนี้แก่คนสองหัวนะคนสองหัวไหมต่อคนห น, น, นึ่งก็ห น, นึ่งติดนี่เขาสมถะนี่หรือปัญญา แต่ความจรงเนี่ยเขารวมเรียกคำว่ากรรมะฐานคําว่ากัมะฐานเนี่ยรวมเรียกทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยการปฏิบัติแบบนี้ต้องปฏิบัติครบทั้งสามรายการคือศีลสมาธิปัญญามีทั้งศีลด้วยมีทั้งสมถกรรมฐ า, านด้วยมีทั้งวิปัสสนากรรมฐานด้วย และก็แถมอีกสองอย่างคืออากินญาคบวิชาสามเป็นการปฏิบัติแบบพิเศษคำว่าพิเศษนี่มันจะหมายว่าดีกว่าทีอทาท่อื่นถ้าที่อื่นเราสอนได้ก็พอมีเหมือนกันเพราะหลักสูตรในวุฒศาสนาในการปฏิบัติมีอยู่4ีอย่างคือสุขวิ ป, สกกวววปัสสโกเทวีโชเจลลัพิโยปิสัมวิทาปโต โขฆาวปสโกเพืออารหันไม่เห็นผีไม่เห็นนวับดาไม่งไม่เห็นเราไปสวรรค์เทวิโชมีที่ปุจกยานสามารถเห็นภาพที่เป็นทิศต่างๆได้หมดถ้าเป็นนิพพานลงมาที่ยวเวทีแต่บุตเทวีวาสารุปติยานสามารถรักษาได้อาทัยวัคคียานทำลายกิเลสให้หมดไปเป็นอารหัน สำหรอบชลพิโยก็หมายถึงว่าสันไดอารต่างๆได้เรืนวิอะไรต่อะไรได้มีที่ประสงยานโภป็ทิ่แล้วมีเจโตบริยามีจมิเกะเจกก็มีมโนยิทธิมีริสตางใจแล้วนั่นก็มีที่ปีกุยานจะสามารถเห็นภาพต่างๆได้แต่สุตูปกาติยานรู้จักกบที่ตายแลวเกิด มาจากไหนจะตายในไปเกิดที่ไหนเตโตริญาณนจักวาระนิกิตโตคนอื่นเมันชาสามอุเพนิวาสารุติยาณนึกชาดได้ยางนี้เป็นตัวเลยแล้วก็ต่อไปอีกทีก็เป็นสันดิษานใหญไปสันนิษฐานมีความรู้ครอบนชาสามและจิญญาหก จะสามารถจะรู้ภาษาภาสามนุษย์ภาษาผู้คนได้โดยการเรียนแต่ารถขยายในความที่กว้างที่ย่อให้ว้างได้ขยายในความย่อในความย่อในความที่กว้างให้แคบลงมาได้พอได้ใจความเรียกว่าปฏิสมิทายานคือท่านคุณไดได้ปริสมิทายานแม้จะไม่เคยเรียนอย่างอื่นมาในพระพุทธศาสนา เราก็ได้เจ้าทรงเรียกว่าท่านผูนั้นเป็นผู้สรงพระไตรปิฎกนี่จำไม่ได้นะแต่ใครก็ถามมาเรียนสมถะที่ศาสนาไปบอกเขาเลยบอกเขาเรียนหมกท่องศีลสมาธิปัญญาแล้อเรียนทั้วิชาสามและอธิญาร่วมด้วยไอ้ทีปฏิบัติความเจียงไอ้ทีปฏิบัติเนี่ไม่มีอะไรยาก เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าทรงให้เพื่อปฏิเสธใหม่แล้วก็ทําแบบง่ายๆแต่ตว่าอย่าทําใจดื้อก็แล้วกันถ้าทําใจดื้อเรียนที่ไหนมันก็ไม่ได้อย่าถือว่าใช้เคยทำมาอย่างนั้นจะเคยทำมาอย่างนี้ถ้าถือเคยตามเดิมแล้วก็ไม่ต้องมาที่นี่ไปทําที่นอนก็นแล้วกันที่นี่จะเรียกว่าเขาสอนอภิญญากัน เป็นความรู้พิเศษแต่ปิญานี่คนทองพานสี่หนึ่งหมื่นคนจะได้ปิญาเป็่หนึ่งน ค, คนก็แสนยากสำหรับคิดยุ่ปิยานใ น, นชาติถัก็ไม่กันคนทรงพานสี่พันคนจะได้คิดอยุ่ปิยานจะ่หนึ่งคนก็แสนยากฉะนั้นทุกคนที่ปฏิบัติได้แล้วควรจะภูมิใจ ว่าสมบัติที่ได้ยากอย่างยิ่งในระพเทธศาสนาเราได้แล้วและถ้าจงอยากทำตัวให้มันเร็วยุ่ออกเสียมถ้าลงเสียมถ้าลงแรกกรบกินยากหน่อยเพราะความเล็วมันมากคนเมื่อมีร่างกายต่อาดระดับปฏิเพรรอย ส, ยสวยสดงามไม่ขอมีค่าถ้าโจรมันจับไปได้มันก็เสียค่าถ่ายราคาแพง โดอไม่ฉชนั้นมันขาดตายก็เหมือนกับพวกเราเหมือนกันนี่เราได้เครื่องประดับอันเป็นทิพย์จากพ ร, ระพุทธศาสนาคือได้ทิพย์อยูญภาณในไมาโลยิติคือได้ปัญญาแต่คนลงทรงปัญญาได้มีทิพย์อยู่ภายในได้ถ้าลงเร็วก็มันเร็วเกินคนธรรมดา เราเรื่องอะรก็แล้วความทุกมีที่ไหนความทุกข์มีที่ไหนนรกมีสักภาพยังไงสภาวะนรกมีสภาพปยังไงนั้มันยังก็ยังเรายังทําตัวของเราให้เร็วลงในรกไปอีกก็แสดงว่าเราพอใจในรกมากแค่นั้นทางนรกก็รักแต่ว้ายังนานเวทีปฏิบัติอัน้าแรกุกคนอบรรด้แต่พทดบริจานึกตามไปเลย ให้พิจารณาร่างกายของเราเอาตัวเราเองเรื่องของชั้บันไม่ต้ไปห่วงเขาเมื่อร่างกายของเราเนี่ยมันจะอาดและสมบูรกช่วยกันนั่งเึกย่บบาฟังแตเสียงส่วนใดบั่งในร่างกายของเราสะอาดเป็นอันว่าร่างกายทุกส่วนแม้แต่ ถ้าลายผมเขีย่ยก็ไม่มีส่วนใดสะอาดและเต็มไยความสกปรกผิวหนังที่เรามองเห็นกันมองเห็นผิวขาวผิวดำผิวเหลืองผิวแดงดูแค่ผิวหนังกระ้าบางนิดเดียวแต่ผิวที่ว่าสวยเนี่ยมันสวยสะอาดจริงเนียลองไม่อาบน้ำมา5วันเป็นยังไงจะดูร้อน จะรู้สึกว่าตัวเราเองก็กเกียบตัวเรานั่นแสดงว่ามันร่างกายมันสขปรกถ้าเลยลอกหนังชนิดเดียวคนที่ว่าสวยสดงามไปที่น่ารักก็พอใจติดอกติดใจมากเอานมนอนลากสวดไปหนังผ้าตลอกให้หมดคราวนี้ทำยังไงนะไม่อยากดูแล้วสิหมดสวย เพราะว่ามีตันเหนีันเนื้อตันหลอดเนือดเข้าไปแล้วเปยังไงตับไตไตปอดกระเพาะจจาระปัสสาวะอุจจาระปัสาวะน้าเลือดตันเมนียตันหลองเกิดไปเมื่อข้างนองค์วามร่างกายเราร่างกายคนอื่นก็สกปรกเหมือนกันอนนี้ความต้องกาของเราเราต้องการความสะอาดของดีและของเลวเราต้องการของดีของสะอาด การ ม, มาฉันทะที่ไม่เกิดขึ้นพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกิ่นห อ, อมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศแล้วไอดูรูปไหนสวยจริงบ้างที่มีการสวยทรงตัวความสวยของคนไม่มีที่ไหนนอกจากใจแล้วจะหลอกใจเราอีงเท่านั้น คือคนที่เป็นเหล็กก็ยังสวยไม่เต็มที่เพราะเป็นนมเป็นสาวก็เริ่มสวยแล้วเป็นน่มเป็นสาวได้กี่วันความแก่ไม่ก็เข้ามาถึงอันนี้อาศัยความโง่ที่มันบังใจไม่มองต้นไม่มองปลายมองเฉพาะจุดเฉพาะหน้าเวลาปัจจุบันแม้คนนั้นสาวคนนี้น่มแต่เนื้อแท้จริงไม่ช่ากแก่ม แต่แต่าขาค่าหา อ, อะไรสวยความสวยมันก็ไม่มีเลยนี่เมื่อร่างกายเขไม่สะอาดเมื่ร่างกายเขาไม่สวยร่างกายก็อืไม่สะอาดร่างกายอื่นไม่สวยถ้ามันไม่สวยแค่นี้ไม่สาดกันแหละเ น, นี่ยอะไรอีกไหมมองหายความจริงต่อไปว่าความไม่ดีเพราร่างกายมันมีอะไรอยู่บ้าง แต่วพระเจ้าสั่งแต่ว่าชาติที่เราค้าความเกิดเป็นทุกข์ <c oughs> ื่อนที่เเกิดแกท้างพ่อ้อแม่ทำไมคุดคู่อยู่ในทงมัเปสุขรลเป็นทุกตอนนั้นเราไม่รู้จะไม่ได้แตนน่เอเราขงเข้าท้อพอ้อแม่ใส่ละเอียดไม่ได้ในท้องแม่ในท้องพอันอยู่ เป็นอนันว่าถ้ า, ายอะไรยงังไม่ไหวออกไว้ น, นั่งคุพวๆแบบนั้นมาส่งมาถุกก็ลองั่างอยู่สักสองสมอัปเป็นยังไงเนื้อแ ท, ท้จริงในท่อแม่ราสิบเดือนตามธรรมารีถรับสิบเดือนแต่ว่าคนไทยรรับเก้าเดือนเลอไปเดือนไม่ต้องเดือนอสวัรเดียวก็ทน ไ, ว ไ, วไม่ไหวมาเป็นทุกข์ออกมาจะท้องพ่ อ, อแม่อยู่จะต้งองคุณของแม่ กระทบรากาศเป็นคแต่ตัวหนาวร้องจาาแต่ตัวร้องจาาดีไม่ดีหมอท ง, งแย่ชอบคนร้องเสียงดังเแรงดีนี่มันทุกข์มากกันจนตอนโตเช้าตื่นขึ้นมันก็มีแต่ความทุกข์ยันเย็นตื่นขึ้นต้องล้างหน้นาแปลงฟัน าเราไม่ร่างหน้าไม่แปลงพัเนื่องมันไม่สบายกายไม่สบายใจมันเหน่ยลาไปหมดไอ้ตัวไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ทุกข์ไปทำงานมันก็ทุกข์ปวดอจจารปัสสาวะมันก็ทุกข์หิวไอ้ตัวหิวเนี่ยมันก็ทุกข์้าไม่ทุกคนไม่ต้องกินมันถ้าไอ้ที่ทุกข์ไม่หิวก็ไม่ต้องกินลองดูที่จะทนไหวไหมมันก็ทุกข์ ความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเรามันทุกข์ทั้งหมดแร่างกายเรามันทรงไหมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเปบนี้จังมันไม่เที่ยงมันเดินเข้าไปหา่านตายทุกวันเกแต่เจริญขึ้นความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่กลางคนเป็นคนแก่ตายเมื่อทีมันจะแก่ก็ตายลางคนไม่เที่ยงในความเถ็นหนุ่มสาวก็ตาย นี่เป ah ็นอนุมัติมันเมื่อเป็นมันไม่เที่ยนแล้วมันก็เป็นทุกข์ทุกแล้วก็เป็นตายในที่สุดตัวความว่ากายเกิดก็่านี้ตั้งจะ่ไปเกิดมาจงวันนี้ตั้นตายไม่มีอะไรเป็นสุขถ้าทุกข์ก็กินเรากินทุกวันกินกี่ครั้งก็ทุกๆครั้งกายกินแล้วย่หามันนจะมีกินก็ต้องหาในความหล่อยยากที่มันเป็นทุกข์ในที่สุดจะไปนักตายก็จะลายรวมหมด อแม่ญาติใหญ่ที่เขาเราต้องการเป็นผู้เมชาแดนก็ตายแต่คนที่เรารักเมชาและก็ะใต้เจากกันตายของที่เราชอบใจไม่ชาพระใต้เจากกันตายตายหมดไม่มีเียเหลือแค่ตัวเราเองก็ตายและเมื่อเราเกิดมาเพื่อทุเกิดมาเพื่อตายเราจะเกิดทำไมกัน ที่เราปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราปฏิบัติต่อการไม่ตายต่อไปแต่ใจเกิดที่มีขันห้าอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราจิตที่เราต้องการคือปณิธานนั่นเอาไว้สิเจรนราเวลาที่ครูแนะนําอันนี้ต่อไปก็จะพูดถึงการปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้ให้ใต้ใจภาวนาวันลนะมาปะทา ถ้าใครเคยภาวนาว่าพุทโธธโมโสังโธอะไรมาก่อนก็ตามไม่ห้ามขึ้นเลยบทนั่นพอจะรเรียดต่อเน้นน้ำหมากกะท่าเขไม่ต่อน้ำมากกะทาเข้าไปเขาไม่ได้นะ ห, หรือว่าถ้าพอจะทนไหมแกไขกําลังใจได้ห้อยใช้จับลมใจต่อออกแล้วภาวนาว่าน้ำหมากกะทาประวัติภาวนานี้จงยาคิดอยากทีนนอะไร อย่าคิดอยากทั้งวันทั้งหมดให้รู้จะทำภาวนากับลมหายใจเขาออกถ้ามืเออมันภาวนาไปภาวนาไปลมหายใจหายไปเฉ ย, เฉยก็ปล่อยมันไม่ต้องกลัวตายนั่นเปนน็นทางสี่แล้วภาวนาไปภาวนาไปเกิดรากฏว่าคำภาวนาหายไปจิตเงียบเงียบมีความสุขปล่อยไม่เป็นไร ถามันกลรู้สึกตัวใหม่ต้องภาวนาใหม่แต่การภาวนาเนี่มันจะต้องตัวแรกั้งแต่ทนิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุเบกขาสมาธิและปัตตมิชานถ้าถึงขั้นเัมิชานอลไรรู้อณะที่เราภาวนาก็รู้เราไม่ใจก็ออกมีโอ้จะไม่รำคาเสียงนี้เป็นปัมิชานพอถึงฌานนี้สองยบรก็ คำภาวนาไม่หายไปเลยใช่ไหิตสบายอย่างเดียวแต่ลูกมาตอนนี้ไช่หรือไม่ได้ท่านพูดวันนี้ต่อท่านสำหรับที่ทันยังไม่ได้เนี่ยได้แล้วก็ไม่ต้องใช้กระดาษปิดหน้าถ้ายังไม่ได้ใช้กระดาษที่เขาเขียนโตัวหสีอเอาตัวหนัสือออกจับสองเขาข้างแต่ที่คอน้าภาวนาว่าน้ำมันะคะ ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ครูบาจาจารย์หลายจะไปตักซ้อมให้ฟังเข้าใจแนการในการเคลื่อนไปแต่สนใจไป